นคนะกุบายจารเพื่อนสาธารณิคนีก็เป็นลองที่สิบหาแล้วล่ะมันสิบสี่เด็กโอ้ห้าที่สิบสีบ่เนาะมันนี่การลงทุนลงแรงแต่ว่าพระสงฆ์สามีาาเท่ากันด้เรียกันคำว่าคำเมีนีรก ปีนี้รู้สึกว่าเอาดีเจ้าว่าการประพฤติธรรมเปินบอกว่าเป็นจริงที่ได้มาซื้อบ่ได้เอาอยางแหลบซื้อเด้วดเดือยเงินดือยท่องกับบ่ได้นั่งธรรมดาตนอดมานนันน่งฟังธรรมดาตลอดถือว่าเป็นการฟังหลังจากทำวัดนี่จึงขอให้ตั้งใจฟังอย่างดีๆเป็นว่าได้มาธรรมดดาสันพาซาบารีเขากะวายด้วย ล, ล่ะรัฐธรมุธาณิพุูจริง พุ่นชะม้าน่าได้มาจินฟี่ๆส่นุ่นชะม้าน่านี่เกกับวอรฟี่ปนไหนได้ล่ะได้ทุ่มเทเพราะแห้งุกเบิกสู่สู่รเต๋อว่าต่อหนาวกับสู่ห่อนกับสู่แล้วคนกระส่นเลี้ยงหนาเลี้ยงหลังกีนแตกเพราะว่าฤดูนี่มันกับฤดูหนาวความหนาวก็เป็นอันจะล่ต่อสู่ภราพเขาคือกัน มีบางปีก็ว่าผู้เฒ่าตายเพราะหนาวพ่น<ม>ละ่ะสิ่งทีๆข้ามีไว้เพื่อบรรเทาความหนาวเมันก็ยังบอบอถึงท้องกันภาษาบ้านเมืองเล่าหอ่อมาบ่เถึงกันแจ้กันบอบอไว้บ่ายมีถ้ามาจีฮั่าสีมีไว้เพื่อแก้กิเลสได้ธรรมานิยต์ได้เมาเดินจกลมมาสั่งเจ้าว่าเข็ดอยู่พ อ, องยอกพองยอกเพื่อเสียใจถ้ามาไปใจ ธรรมะนี้การถามกันก็นว่าได้ได้เงี้ยเนาะไปเดือนอยู่กลมอยู่หกหมื่นเจ็ดหมื่นแสิ่นี้คนถามได้ระวังเจ่มันผ่าธาจึงเป็นจากสังว่านว่าหากกระเพื่อนกสร้างหากระบันกระซองทิ่งทิ่งที่สิบไปต้อนรูป ต, อต้อนเต่ากันมันมีแต่มันเป็นคุณสมบัติภายในถึงความน่าแนงพรองจิตของใจกันมาฝึกธรรมะ การห้ามีสติสะเปะแช่นยะเกิดขึ้นมากับข้าวแล้วมาเป็นสมบัติมาเป็นคุณค่าราคาของคนคุณนั่นก็สมข่วนที่สอยู่ทางกลางชุมชนที่เอ้อัดชุ่มชนหมือนกับคันเอ้อัดแล้วเมันก็นมีทั้งซีงทีหนาไว้ใจและเบาหนาไว้ใจละ่ะโลกของสังคมนี่เป็นเช็นว่าเปลียบเหมือนด่ง เ, งเปรียนเหมือนปลา ธรรมดาในดง่งในปาเกมีสัายไล่ซุกซ่อนอยู่ธรรมดาภายในสังคมกิดมีสิ่งที่บุนหาว้ใจซุกซ่อนที่กันเพียงจะค่อยว่าการเข้าเขาขไปดงเข้าไปปาเย่าลืมอาวุธยูทูปมาก่อนเขาโด่งจะลืมผ้านาซื้อเกจะ น, นจะั่งใจปรวมาสิให้ที่ว่าเขาทำซื้งสงครามยูทุกเหมืองเชือ้อวันจะไปลืมในภาคปฏิบัตินี่ลนะ่ะบอ บ่เมนว่าซิ้อไพนอกบ้านเมืองของห้องกับบอยู่จิตแ้ายดนที่เจ็นห้องบ่คือแถวตาพญาแถวลมเก่าอยู่ภายในอยู่แก่นกลางกันยังต้องละมันระวังอยู่ระวังขาดซึกเพราะว่าขาซึกนี่เพิ่งบอเว่าเรื่องไพ่นอกคันว่ากำนะังปฏิบัติห้องกับว่าเรื่องกิเลส เรื่องขั้วมนขั้วหมองเรื่อง ค, มมคมมองั้คมคึกข น, อน้องอรื่องนี้เขากะว่ามาหาขั้วสุกเจ้สุกอีมันจอมปอมสุข ก, ก็สร้างทุกกระตามที่เขานากันว่าหายเบิง่งซื้อนี่ท่านบอกเป็นสุกที่เข้าสี่เอาสุกอันนี้มันต้มมันตุน๋นมันหลอกมันร่วงเห็นหนุในเข้าตายใจน่ะั้งกันกับขั้วสุกที่คุณหน่อยคุณมุหรือบาสาวเยาวชนของเข้าขัางไข้หลายหลงเงิน ทุกจากการดูหนังจากการฟังเสียงจากการเบิ้งมอลลองมอลลั่มเบิ้งมอลลองฟังลัมันกับมวนมันกัมีความสุขทุกสิ่งเพิ่นกระ บ, บอกปฏิเสธว่ามันบอกมีความสุขเจ้าเคการื่องสุขแค่สิ่มันเองมิตรมันทํ า, ท ไ, าไหนห้าวเลืมตัวเลื่มตัวถ้าไหนห้าเสียอะไรอนนร้ดจนใดแค่สิเพิ่นจะค่อยเห็เห้าวเบิ้งสีๆเรื่องสุขเรื่องสุขหนาวมันกิดทุกขนะไหล มันในใจก็กายมากักกรสามักขี้กันจังเปร่วานซ้ยนายมักขี้กันยิงต่ไอทีกายนี่ก็บ้าว่างอยู่ในท้าเจ๊ะกะเก่งกลางหน้าหนาแห้งต้อมดีหหงใจฮ้าอันนั้นมักมากโปกมากคุ้มให้เอาต่อขากระหดขม้าดีจก๊กหยังเออมันหนาวดิเป็นฟูวง่ายให้แม่รดููลองสิเดไปคุณไปที่เน็เะเนอ อันนี้มันเรียบร้อยที่ดอกก่กับใจแต่ว่าบญญางแยเบียดจุกงขังพ่แต่เมื่อกี่กันไ่ได้ยอดว่าละเพราะว่าไอ้ใจมันมันเคยวิ่งว่อนมันเคยขึ้นนองมันเคยไปเคยมาอยู่บ่บ่บคอยสีนั่งซื่อๆนะอยู่ซื่อๆนะ บ, บ่ปิดบัดทิ้งข้าห่อสีมะเอาให้อยู่ซื่อๆให้หฮะให้มันเชื่องหให้มันอยู่กับเนื้อกับตัว ถ้ามันมากำหนดดูการเคลื่อนไหวเมื่อมือง่ายเมือ่อยกมือไปเอามือม้ยกมือขึน้นเอามือล่องนี่เข้าหายเบิงดูสิมันกระย่งอยาก ง, ง่ายยังบออยากวิง่งว่อนอยู่กันพูดถึงส่วนสมมติที้ในส่วนนี้โบ้ใครเท่าไหร่พันพูดถึงขั้วสมมต้ในเรื่องลบไพ่เหรอเห็นคว้วหนาก็เป็นไพ่ที่หนาย่า น, นากลัว ฮด อ, อมป้อมรักษางมาตลอดวันวดเขามาดีไปนั่นเยาว่าเป็นไพ่เรืออันนี้แล้วบานนี้เข้าใช้ทรามาให้มันนตินผูกเพลนว่มาเป็นกะแจ็บตาดูยุ่นล่ะจังคุยกันกะพวกเพราะยังหเห็นอะไรผักปวกเพราะเงาเจมควาสีสีหลายขึ้นเพิ่มจะนวนขึ้น เสีหนีกันี่พอมมีแม่ปูเห็ดมา่ก่อนแล้วเหลือ ม, มตัตตดีกัจะรู้สึกว่า เ, เข่าทาขึ้นมาเรื่อยๆแตกหูแต ก, กตาขึ้นมาเรลือยก็คล้อยแตกหมูตั้งตาขึ้นละ่ะพ้นของการปฏิบัติแต่ว่าพัฒนาเมื่อกาแต่ว่าถ้าหมาดีถ้าหมายเจริญถือว่าเรื่องดีเรื่องเจริญนี่ก็ให้โลกไข้นอวเขาสังเกตได้รู้ว่าเฮาเก็งพ้นผู้นึงแหละ ที่นี่ก้วนเป็นอยู่ทางเขาตางหลังถลิ่นมามกเมตตากะการพูด ก, การจ่า ก, การไปการมา ก, การอยู่การจีิงการครบฉันเอียงต่างๆปะคอยมันเป็นที่ตั้งหูตั้งตางของผููเขาบึงภูเขาที่ผู้ที่เขาสังเกตกำหนดบึงเพราะฉะนั้นอันนี้เขาจะต้องควบคุ่ตัวอย่างได้เป็นการลบจะว่ามือใดจังค่อยสิบไปจบู้จบ อ, อยู่ได้ล่ะ ศึกษาไฟธรรมนั่นบ่คือไฟโลกไฟโลกมันศึกษาบ่ค่อยจบบ่มีเวลาจบพระเนวะเดวิชาโลกเรียนเท่าไรไม่รู้จบเพราะที่พบกว้างใหญ่ลึกไพศาลวิชาธรรมเรียนแล้วทําให้ทานานอาจพบพันจุดจบพบสุกเอยวิชาธรรมเรียนแล้วทํามหลุดห้อง มันแต่ยิ่เนี่ยฟังเพื่อนว่าเฮ้ยจะ่ละเเกี่วก้มก็เอาข้มู้ซึกอยู่กับการเคลื่อนไวหวสางจังหวะหว ม, มืองายมือก็ให้ควอมู้สึกอยู่กับการงวมการไม้อะงายเรื่องสิมีถ้ำหล่เขาเอื่นลูบถ้ำยกมือก้าวขากวยแขนเขาเอื่นลูบถ้ำมีควอมููซึกอติดตามติดสอยหอยตายมันเขาเอื่นน้ำมาถาม้ำมึงยุ่งสิมันนีจากกันโอกไปน้ากันออด อ, อนออดอนยิ้ ในเมื่อลูกคือตัวตนสกุลรกายนี้มันเดินมันเหินมัน น, นงงั่งมันยางสติก็รู้สึกกะเวลาเดินกะอยู่กับการเดินมันก้าวขาใสาก่กะหูเมื่อก้าวขาขั้วกะหูเมื่อนี่มันมันไปทำการยุ่งสิคำว่ า, ถถาท่านพ่อเสลาอํานี่กะหมายถึงแยกเข่าใจว่าถ้าจับจอบ่อจับเสียงแยกเข่าใจว่าถ้าถือมีถือควรไอ้ลูกท่ามันกะดีได้ชื่อว่าท่านดี เอาท่ายโยมายโยมือกับเมีอนอยู่ละรูปเนี่ยมันทำมันทำงานป็นไงว่ากรรมเป็นไงว่ากรรมคือการทำกรรมคืองานฐานน่า่ะว่าที่ตั้งแต่ตัวกรรมฐานนี่ยมนันเป็นงานของผูมิมัติฟุจิฟูจใจบ้านนี้ใ น, นเมืองเฮาเอากายเป็นการทำงานเอากายทำงานโดยวิธียกใหม่ยกมือ โดยวิธีกล่าวขากวัยแขนเวลาเดือนวิราชเหินนี่เขาทํางานจันี่เขาสิ่อิ่นทายมือเป่ากระสงังเพราะว่าการทํางานแบบนี้บุตรเจ้าเกี่จะเสียมหรือถือมีดควันเจ็บบาดนี่ใ น, นเมื่อกายมันทํางานใจเมื่อไกระหางอย่าเหินให้มันไปน้ากันน้ำกห้ได้ทถ้ำโยนกันขันน้ำไปท้ำนอกเรื่องบวสามัคคี กายผ้าเดือนอยุ่นี่<ม>เฮืร์นออกไปข้างนอกพุ่นแฉลบไปแล้วไปคิดในเรื่องอื่นคิดหอดเรื่องหัวเรื่องเสื้เรื่องให้เรื่องหน้าไปพุ่นนี่แฉลบออกไปแล้วบ่เบิง่งบ่บ่บเบิ่งตรงบ่บบเบิ่งถูกมันเบิ่งตรงที่มันเบิ่งถูกที่ที่เพิ่นอยากให้ดูให้เบิ่งนี่มันเกิดปัญญาขึ้นมาอีิริปัญญาเน่ยน้อยนี่เฮ้าสะสมเฮ้าหลวกร่วมไหว มันสิเป็นเครื่องมือที่ดีในการชั่งละฟอฟฝนปดเปืืองแก้ไขปัญหาต่างๆคือความติดขัดของใจนีส่วนมาควาวติดขัดควบของใจนี่มันเป็นอาหารใจที่เพิน่นเพิ่นหามเป็นอาหารต้องหามมั่นเถอะเหมือนหนึ่งวังหนหนึ่งจะไปกินอาหารต้องหามอาหารทางร่างกายห้องรุ้จักเดเระว่างเป็นผู้ดอกขันมือบรสะอาด อ้กินยาพ่อดอนไม้ไม้กับ่อยากไม้จับดอกอีกล่างสักนลางด้วยแก้ล่างด้วยน้ำสบู่ย่างดีเลยังคอยสิกินบกคำนึงบ่คิดบอกัารกินยาไม้มนบบล่างไม่ละเมื่อหดีไม่กินเขาถึงวีต๊กกลางว้นกิอยาจิดกลัวยุงซะละยาไมัพอเปอดให้เขาลดเป็นคันดซิงเบือเมาพ่นอก ย่านมันยานมันจิดมากกับข่าวปลาอาหารนี่เหาะผัดลบว่าปินลบพิษไถยพายหน่าย่านมันจิตมากกับอารมณ์ผัดลบว่าปินสิ่งใดเลยมันติดมากกับอารมณ์เรื่องสุกกับถุกจิตมากกับอารมณ์ซุกกับลบเครื่องในบ้านนี้นี่ขนสามันทั่วไปชา่บ้านล้านจินทั่วไปมากบ่ลบคันว่าทุกแล้วยืดยืดช่วยเอารอดเป็นสิน่งที่กวนเอารอด ครื่องซุกนี่คือเนว่ามันเป็นไฟเย็นซ้ำกันกับลูกลูกหลานเพื่อนอยู่กับหนังกับละข้อกับดูหนังฟังเพียงเหมือนสิเพื่อนเจ้ว่ามันกับหายทวดอยู่เขาเอื่อไฟ้เย็นด้วในสายสาของพระเดียเจ้าจึงเผยเอ่ยว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นทั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกแล้วหาอะไรเกิดไม่ได้นอกจากทุกแล้วหาอะไรดับไม่ได้ดูนั้นก็บเน้นทุกุติฟังเพีงมวลกระดอก็ือเนี่ยสิทุกุติ อา้าไม่ขณะดูอยู่นั่นมันก็ดมวลมันกิดซึ่ง อ, อยู่แต่วกาัวมวลซึ่งมีมันบวกลายขอคันบวกลบคูณหารใ่กันแล้วจริงๆในคึืนที่นี่หนังเขาบ้านในขณะที่ดูน้ำฟังเพ่งโทษหลายกาลัวหลายกลัวขอดีที่ห้าด้รักจากการดูน้ำฟังเพ่งเจ้าสิบดุดเฮาดูน้ำเฮาฟังเพ่งเฮามวนซื่น เ้าสมุขนานเขาหันสาลาเลรื่องเจ่าในขณะดูน้ําฟ้องเพ่งเขาเสียสุขภา พ, พเพราะอวดนอนนั่งตายแข็งชิลอยู่นในขณะที่ดูน้าฟ้องเพ่งเข้าเสียสรัพเสียศีลเสียงเงินเสียท้องคือวัดทานประตูแจ้งบาทคาคา ข, อ ข, อขวบขั้วนั้นมีลูกชายลูกหญิงหลายคนในพวกอัดไถ่ไปจ้งบาทเจ้าสิลายขอแล้วในขณะที่ดูน้ําฟ้องเพ่งมันเป็นอันตรายที่จะถอดมหาพรเมร พอเมรับผ้าละเบิ้งเชิญเบื้องสัน้นพอเม่บด้รับบดินอนยังสิมันหลายคอบต่พูดถึงสิ่งที่เขาได้รับมี่ขอเดียวว่าได้ความสนุกว่าได้รับความสนานว่าได้รับความมวลความซึนเอามากินแท่งเคาะก็บม่ได้ห้องเสียสุขภาพอยู่เช่นนั้นนี่นี่เพิ่นแจ้งค่อยว่าทุกปกปิดเขาเอื่นปฏิฉันนะทุกทุกที่สามมันชนมั่งว่าเห็นโดยง่ายนะทุกปกิด ฮัลละเรื่องสุกเรื่องทุกข์กับพวปิดนี่ห้องเพียงจะไม่รีบยิบช่วยเฉลุขุกซุกภายในห้อาเบิ่งซื่อห้อามีสุกเ้ามีทุกข์เขาเกิดมาทำกลางโลกกระทำเพราะฉะนั้นโลกกระทำนี่เป็นสิ่งที่เขาจะต้องศึกษาเรื่องซุขกับทุกข์นี่คนเรียนว่าทุกข์สร้างออเดอร์จะไปยิบไปช่วยเดอร์คันซุกเรือรีบก่อเกย์เอาบ่มีว่าสี่ส่วนมากเขาอยากรีบดตักตวงรีบก่อเกย์ยิบช่วยรวยกับแม่ซุก สุกกระทุกไปไหนเขาเบอร์เงซื้อท้ายก่ายก็ว่าสุกกระทุกท่ายเป็นลูกก็เข้าหนิเห้าจติต้องไหวใจเป็นกลางอย่าสร้างภูนั่นอย่าหาขางี้วันนี้เราปฏิบัติกลางตัวอารมณ์เหมือนตัวนั้นน่งปฏิบัติขอเข้ามันจะค่อยสืบลู่โลกอย่างแกมแจงสุกกระทุกก็เป็นโลกของสังขารเป็นสังขารโลกพคอยแข่งก็ว่าลู่โลกอย่างแกมแจงโลกกับไอ้ทู่ หนึ่งจะไปว่าถึงโลกไพ่นอกส์โลกไพ่นอกแมนพรแม่เคยย่ำต้องไปเบิ้งให้เบิงเบ้งหน้าไปเบิเ้งนหน้าว่าเหรอจังหวัดนั่นดินก็บ่ดีถ้าพูดถึงเสียให้หน้าไปยุจังหวัดสุ่นท็นดีกว่าเถยวผ้ า, ากลางผุ่นคันเซทให้ผู้เห็นหวยสวนไปภาคนันสุดีกว่านี่โลกไพ่นอกเที่ยวทองเ ท, ที่ยวไปนี่ บ, บ่จบเรียนเท่าไรเกิบว่าจบแต่ยังว่า ว, ว, วิทยาโลกเรียนเท่าไรไม่รู้จบพอพิภพกว้างใหญ่ลึกไพ่สาร วิชาทำเรียนแล้วทำจนชำนาญอาจพบพันผิดจบพบสุกเอ้ยนะเรียนแล้วท่านนชำนาญพวื่อเอาอาศัยความชำนาญอาศัยความชำช่องอาศัยความฉลาดรู้จักปลดเปลืองบวมนัยชำนาญพูดบแมนัยชำนาญคุยชำนาญในการปลดเปลือนแก้ไขปัญหาต่างๆทางใจนี่แหละปัญหาที่มันมันแจรยากท่านเป็นน่ารบกับบวมน แย็บอาุธยุโทโธปรกรณ์มีปืนพันห น, นาใหม่เขาประหัตประหารเขาหําหันฟาดสันกระโลดนั่งขาดซื้้ายนอกย่างบัวลายเทอขัขาสซื้ายในขาดซื้้ายในนี่นหะมันทําให้เข้าอายุสั้นเข้าบอกมีเคลื่อนสุกกระเพราะขาดซื้อ้ายในนี่แหละแล้วบายนี้เข้าแก้ง่ายง่ายปวดเปลืองง่ายๆกันพูดถึงปัญหาภายนอกมันเป็นอันภันธะท่ำเพิ่งสวดเยี่ย อชาตาธรรมาไพธาธรรม า, ธาอจชาตาไพธาธรรมะย่างสวดกุสลาไพทาธรรม์ขึอ้นอย่างบุอชาตาธรรม์ขึ้นอย่างบุแบบนี้คนหลงคนตายนี่มโนภาพเปสวดแต่ปกติวิธีปฏิบัติต่อสมเห็นแต่เขา อ, าาอ่านหนา้านหันมุ่นปฏิบัติต่อทำไพ่หน่อมมาเที่ย ง, ง่าบัดครูยังมีชีวิตเสียพอเสียแม่พอพอ่อแม่หลุมหายตายจากต้องร่องห้มร่องหาต้องเสียนำ้ำหูน้ำตาต้อง วิประโยคโศกเศร้าเกิดสัวกะปริเทวะทุกเกิดโทษมนัเหน่อยเหนื่อตั้มใจอะไรอว่าในในเวลาพอแมรุมหายตายจากบ่หลุดแก่ท่านภายในขันบอกฟึกนิดฟื้นใจเอาไว้แค่สี่มือนี่นี่ตาเจ็บต้องแจหรือธรรมะทางเบิดเรื่องขัดเครื่องเรื่องคุณของมองใจเรื่องทะเลาะเบ้อแห่งเรื่องบด่บงงามภาในคอบขั่วเกิดมลเกิดมองเกิดหดเกิดหู เบิอะไรใายาในการที่สี่ทางานทําการเลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้าเลี้ยงความเลี้ยงโค อ, อีกต่อไปดิบ่ได้มาจากปัญหาอื่นปัญหาทำ่ำภายในนี่เข้าบ่าได้ฝึกเอาไว้บ่ได้ฝึกสติว่าได้เตรียมปัญญาเอาไว้เรื่องสติเรื่องปัญญานีมันจะต้องฝึกไว้ในสมัยที่โลกบ่หนาว้ใจก็ยิ่งว่าเขาดงเขาดงอย่าลืมผ้าผ้าคืออาวุธ หน้าซื้อจะนั่งใจจะว่าซื้อสวนข้ามมันซีคามา่าไปคิดเมื่อไรจช่สิรี่ใช่อาวุธของเฮ้าบ่าวาซื้อที่เข่ามาทางตาเพราะการเห็นบ่าวาซื้อที่เข่ามาทางหูเพราะได้ยินได้ฟังเฮ้าถือว่าซื้อเบอรเด้นิให้ถือว่าขาซื้อโหลดเรื่องต่างๆทั้งทั้งเรื่องดีเรื่องเสียละ่ะ <c oughs> การที่ใช้าตาใช้หูในทือว่าเป็นการลบกบสติโหลดเฮ้า ดึงเอาสติคืออาวุธดึงเอาปัญญาคืออาวุธไม่ใช่ท่านพวนที่เวลาใช่ตาเวลาใช่หูเวลาใช่ชอ จ, จตนาทว่านทั้งหลายนี่นี่เพลนลาเห้อยยูด้วยข้อมอบประมาทขันห้อใช่ตาใช่หูความที่สิดึงสติปัญญาไมา่ใช่เรื่องตาเห็นแล้วสิเกิดยินใจกะยาตาสินใจหากายสิเกิดเสียใจกะยตาสินใจสร้า ง, งาย ให้เขามีการยับยัง้ง <c> เ <oughs> บิงใจใเข้าเยอะเถอะการท่งสร้างงเขาก็เสียความยุติธรรมการา่องหาไงเขาก็เสียความยุติธรรมเป็นความลมและไล่ของของเข้านั่นนั่นการเดินจง ก, กรมการสร้างจังหวะเข้าเอื่อนว่าปลูกสติจะเลื่อนสติครจะเลื่อนอาหารกับกินได้มากเท่ๆแล้วโอ้ oh. มันจะเลื่อนอาหารเท่ๆเล กินล่อาหารได้มากกินเล่นส ต, ตินี่ก็สร้างให้มากภาพวิตาภาวรียกตานี่กินเล่ให้มากบ่มเพี้นเพี้ยนให้มากบา่วเห็ดยังผู้ชัยที่วิยานผู้คลองเรื่องธรรมธรรมะ ข, ขมขืมข่นขยันในเบียดในงานแต่โอวดโบยาภาพวิตาภาพวิริกตาเฮ็ดให้มากเลยพ่ออยู่พ่อจินท่าให้มากก็เล่ยพ่อชัยพ่อสอยบัวขาดบัเขินทานา้ำประเกียดคอหอดหิวเรื่องปฏิบัติเท่ากัน บะเมนว่าเฮ็ดมากอยู่ที่นี่แห้งเดียวเจ็ดมือที่ไม่อยู่ต้องการเนี่ถือวา่ามามาชาดไฟมันรับบทเลี้ยนบทเลี้ยนบะเมนวา่ารัดเจ็ดมือแล้วพ่อโหลดบะเมนว่าฉันเอาไปใช้ตลอดชีพ บ, บ้านพวกพอยา่ผลมายนายไปอยู่บ้านอยู่กับหลูกกับหลานมืออึ่นกับศีกับบ้านกับซองให้มันพร้อมที่เสี่ยวถ้ามาไปใช้จันอย่างสะว่างวาน่ะ หากไปหอดเพื่อนหอดซ่านเห็นอันไหนมันเพนรูผิดหูผิดตาเขากับเฮ้ามันบวกขึ้กกันมันต่างไว้กันเขามันคข้นแจ่อย่างรอบครอบแล้วข้นแจงันว่างมีดว่างขวั้นกายว่างเป็นที่ือจะเจ็บลูกจะเมียนให้มันเถอะเรื่องเวยซ้ำหน้ามาก่อนกินแล้วใส่อยู่ใส่กินแล้วกายอ่าล่างอยากเช็ดอยากเค็ดอย่างเมียนแย่งดี อันเฮาถ้าไปเห็นอียงพิลุตพิมพุทิตามันก็คือเฮาอยู่เขาอยู่เฮื่อเขาอยู่เหย่าฝ่อบ้านเขายัางหน่อยเ่ราะเขาหลอบครอบยงหลอกกับผู้เฒ่าบางคนว่าโอ้ยทั้งท่านสี่ผอผ้าเฮ็ดเฮ็ดให้ดูยัวเห็นห้าเถื่อเขากระผัดก็คือเฮาซะห้าเถื่อในยุคสมัยที่เขาส่งเสริมการเกษตรพ่อแม่ผ้าปูผ้าฝัง เรื่องไม่ที่ท่อนกันไหวสูงกันไหวเขาก็บว่าอย่าเบิงน้ำท่าหน้าที่เขากิดพ่ายอได้รับผลพ่ายได้จากพืชเห็นชัดชอยู่หนานหนึ่งกับว่ามีอาจฉาอย่างอื่นเขาก็ดยิงว่ากิดตือรื่นล้นเขาก็ดยิ่งว่าขมักขันหมิ่นมันต่างกันจะสี่เฮาเห็นเห็นอยู่นี่นี่คือการควมต่างกันระวางไหวของผู้เถากับควบที่ใจฉลาดในการคล้องเลื่อนนี่ของเขาไม่ฉลาดเต็มที่ของเขายังว่ามีเขาเขามันไห้คึกขนอง ก็ ค, คือการน้องผ้าให้นางบวติษฐ์นางเฮื่อนนางซ้านบวชข้าวอุวนอย่าไปหันอย่าไปนีบ้านนั้นมีงานอย่าไปท่องไปเที่ยวอย่าไปพกเพยตรงขันอย่าไปพูดคุยอย่าไปเ่อเลาะพอรักกับสัพพิควรี่ดของนุ่ของสาวไม่ไปเจ้าท่านนี่ห้าเกจหนูกลับไปบ้านบัดสีตังนั่นอาชิเจจังแจนทั ง, งว่านว่านั่นที่ลราจจสู้กันอยู่ยาเฝ้งงาท่อนกลัวเขาว่ากลัววา่ววา มันโหกเอากระดอกระเดมันบกปัดมันบ ก, กวดมันสีห้ ม, มือเจนอยู่ผู้นี้ปเกิดเลดใจห้าเกิดอารมณ์ถึงมากเกิดคุณเกิดคุ ณ, คณนั่นเขาเอื้นปฏิฆะปฏิฆะนี่คว้วหูนิรินี่ละ่ะจิเลก็อวอดถึงมากก้นจริงปฏิฆะคือขั้วหูนิริดขว้วลำข้างคั้มเดือ ด, ดานเช่นเช่นปฏิฆะหมายถึงการก่อวอดของจิเลขนโกรธออกมาอเลเขาก็เอืน้น เอิ่นแบบหนึ่งนั่นนี่ซื้อหลายๆซื้อนี่แหละข้าจัดกับวัตถุข้าวจังค่อยจัดเต็นอันนั้นคืไล่อันนั้นดีขึ้นไปอีกอันนั้นดีที่สุดเท่าถึงจ้าวพระพุทธเจ้าจักกับอารมณ์บานี้เออขันโกลน้อยๆกับมีซื้อเอิ่อนยังสันส่นยังสิขันโกลหลายเตอ๋อก็มีซื้อเอิอน่นขึ้นไปอีกยังสิเด็ ปฏิฆากะไมาถึงโกรธนย น, น้อยเห็นแล้วเกิดเพิ่มข้อใจเห็นแล้วเกิดมุ้ยยิบเกิดล้มขัน้นเกิดคุ้งเกิดเครื่องขึ้นมาหน่อยหน่อยปฏิฆาขันอุปนาหานีแห้งขันเขา เ, าเอากระเผ่าถ้าถือเขาสบ ป, ประมาติถือเขาเหยียดยม้มถือเขาคู่ตะคอกสนหลายอุปน่าหะผูกไว้ผูกโกรธเขืเอานอุปน่าหะไปว่าผูกโกรธไ่ได้ดเอาเสื้อผูกได้ใบผู้ไม่ใยห้องผูกโกรธทำในใจคือ ปาโต้เกิดได้ไงมามันบุญผู้ใดมาว่ากูปันนี่เจเดียอมันกิดสะขีโพดไงกูสิบลืมเนี่ยท่าในใจพูไว้นี่คือท่าในใจมากูสียบลืมกูสียบลืมพวกก็เีชกันตายกูเสิบบลืมเกิดลมันดาขดาแชงกูซะมัอนี้อันอันนี้ผู้ก้เขาเอนนี่ยอุปนหารโทษสะลายกาโกทะโทษสะผมดูนี่นี่ซื้ออัน ซื้อของอารมณ์น่ะถ้าไม่เข้มข้นคือขาดซื้อจ๊ะนึงถ้ามันแกแ้แดงแ ก, แก้คือมาอีกกาดซื้อจ๊ะนึงสิเด้ไฟโลกว่ามีผู้ใดมาใส่ซื้ออารมณ์จะเกอดิ่มีแต่ไฟท่ามกลางตามตามตีตป้ต า, ตายไว้พระพุทธเจ้าติต๊ะป้ายคันกูนน้อยกับมีซือซ้อป้ายมันซื้ออิสระเชื่อสิเจียงห้องบําเบงดอกอ่านไบซื้อล่ะอันพวกเขาแจยงในปริยัต เขาบอกให้ไปเบิ้งเปิดเบิ้งลูกขันว่าผูเสียผมไปเปิดเบิ้งบรรทัดที่นั่นพระไตรปิฎกเอสุตติตาปิฎกหรือวินัยปิฎกเรียนนั้นเด้อนาเท่านั้นบรรทัดเท่านั้นบอกให้ไปเบิ้งพุ่นพเพื่อให้มันบอกบอกให้ไปเบิ้งพุ่นพุ่นบอกให้เบิ้งภายนอกขันเป็นเสน้นโลกภายนอกกว้างไกลไกลๆลูกโลกภายในลึกซึ้งอยู่ลูบ้างไหมเดี๋ยดูโลกภายนอกมองออกไปเนี่ยเขาสอนให้ค้นไปดูโลกภายนอกไปเบิ้งพระไตรปิฎกภายนอกไปค้นพุ่น เปเบื้องเล็มนั่นละเปิดเบืเ้องโลดนานั่นบรรทัดที่โน่นนั้นเพิ่งวาสวนเพิ่แจง้งเฮามามเปิดว่าอพีโรดรัดบือใจพีโรดกันหูได้ยินเสียงที่พวกไพ่าถบ่่ชอตใจแล้วเบื้องพีโรดมันกอตัวคือมันหนีละเช่สิเฮ้างเซนสันเฮา ม, มาเบิงพระใพีโรเหรมนี้ขันตัดบัเขาไปเปิดเบิ้งเล็พุ่นเขาสิบ่มีเวลาเช้าหน้านะ่ะแยกจอดจยกเสียงยื้ อ, ปปปอยีดผมยื้อนู่นโซกโป๊ะ่อยาไปจับสัน an นี้หนังสือมันประพร คันเห็นนอยู่ให้เจ้าหนาไค่อยส่เลยเนี้ยนเส้นะไตรีิฎกอะเขากิดเราไม่โดนมีดเล้แล้วห้องพระไตรปิฎกแตงโอ้ยเจ้าพระเจ้าเกลียมึเขากินออกจากไสสมมบิเขียนออกจากร่างกายห้องนี้ไอ้บอพ่ท่านเจ็บเียอดปัญญาทิโยคันธปัญญติอายตนาปัญญติธาตุปัญญติท่าขันธอายตนะ เขาเขียนออกใจนี้เบิร์ออกจากร่างกายของคนนี่มาเขียนเอกแล้วเขาเอิ่นว่าตำล่าเขาเอิ่นว่าคำพี่ตำล่าคำพี่ก็เป็นศาสตร์นี่แล้วนอกตัวเขาออกไปแล้วขันบ่อค้นไปตวเบิงตำล่าเล่มนั่นเล่มนี่นีบ่อเขาไปเบิร์ตซีนหน่อไกเพราะแต่รีโรคหน่อไกโลกไข่หน่อมันกลวงมันไกลนี่สิเลียนไทยมันกับวัชพืชมันก็ไปตามโรกไข่หนอกเบิร์ะ ห้าวบอกกันเมื่อเบิ้งพี่เม่อรัดเบิ้งใจพี่พ้อตาเห็นกันเห้เมื่อเบิ้งใจเมื่อกบอก่ึคือในหลวกรัชนาปินอารมณ์ดีขึ้นอารมณ์ซัวอารมณ์ดีกับเบิ้งอารมณ์ซัวกับเบิ้งพูดที่สีลู่โลย่างแง่งแง่งมู่เล้วกับบดจีดมั่นไหมห้าวปดเปื้องห้าวแก้ไขป็นนี่ห้าวใช้ท่รมากุดย่าไปด่วนตัดสินใจหักยังไงสร้างยังไงอันพระฤาษีตาไฟบนไม่หยังดิ แต่กี่เพื่อนบอกว่านู่นึคือไม่ว่าปไปเลยไม่ว่าทุกสิ่งของไม่ผูไม่ควรเห็นกระดูกกองเอาเนกไปเรื่อยอันเพื่อเฮ้านีแล้วล่ะเกิดคุณเกิดเครื่องพ่อตาเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งจังกลับบ้านไปพ่อลูกพ่อหลานเขา บ, าเ บ, เาบาเอนนเจ็บเขาบอเมี่ยนหงมือเจ็บมือและหกอันยืมเรื่องมีเรื่องขวนกับว่างว่าเป็นที่เป็นทางเรื่องเจาะเรื่องเสียมกับบ่อเรียบร้อยเป็นแต่อ่าคนแรนมากต่ำมา่ซ้น เรื่องถวยเรื่องสร้างไซยูสซกินแล้วกับว่างมาลาจากใจโบลางโบเชต์โบเจโบเมียนล่อนเจสิเป็นเครื่องคัดเครื่องคุ้นของในมื่อเข้าเห็นเห็นแล้วเข้ารีบใช้อสติขำว่าประกอบเขาว่าโยคาเวชใช้แชตเต้ภูริปัญญาจะเกิดเนี่ยการเข้าอสติคำว่าประกอบเข้าแสดงเบืง้งที่นี่แสดงว่าเข้าได้ตัวถ้าแต่พิโรกว่าเข้าอยู่เรื่อยโบได้แล่นไปเปิดหนังสือโบไดแ้แล่นไปเปิดขัมนพี่ตำราซึ่งเป็นภ้าหมอกไก่ นั่นเป็นโลกไข้หนาวซะแล้วเขาเจัดไวอันนั้นบางนี้วัวเฮาเป็นผัวเลียนละละรัดรัดกล้าวประหยัดชีวิตชีวิตเป็นของน้อยกำลังรุยขีตุ่นีควนท่านหน้าอยู่หน้ายิ้สงสัยพระไตรโดฎย่าไปแล่นปืนนักสือถ้าจะแล่นกับบ้านนักสืบว่าจหอบลงมโทง่่่่่่่่่าว่ า, า, า่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่ากกา่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เมื่อบรเบิลเจ้าของอันคนรยิ้มตัวของตัวเฮ้าให้เบิ้งกายให้เบิ้งใจนี่ไหมเมื่เป็นปัจจุบันนัรงในขณะที่เฮ้าใช้อายตนะใช้หูใช้าตาใช้าขาใช้แขนต่องมา บ, บูมพี น, น, น, นขขงพังนันะ้นการซื้อของผัวเฮ้ายำนักหนาอาจารย์อุไดกระมา้าวเธอเรื่องเดินจูงสั่งแ่วะอาจารย์อุไรว่าขึ้นกะให้พ่อให้แม่อยู่เก้ากันหูเมื่ อ, อเรียก ว, ว่าเฮ็ดให้มันงหู ร ว, วบร่วบหรือสะสมเอะไรมั่งมากควมหูหูอะไร ห, หูในการเคลื่อนไหวยกมือกับให้หูงอมือกับให้หูยกมือขึ้นให้หูเอามือล่องให้หูก้าวขาซ้ายหูก้าวขาขวาหูห<อ>มายถึงการเพาะปลูกนาหนาวเอาเขาขึ้นยุ่งขึ้นช้างแล้วก็จะฟังหว้วยเชี้ยวจะอุอมไปด้วยพืชพักผลใหม่ต่างๆ เกษตรของาวส้มกันให้ปลูกคือปลูกพักเตรียมแนีอยูย่เนี่ยกินไปใจเคลื่อนอาศัยเอาไว้กเกษตรของอชาฟูเท้าย่าลื่อมกเกษตรภายในพุทธกเกษตรเพราะหรือปลูกฟังธาลู่ปลูกฟังสติปัญญานี่มันเป็นธาลู่ลู่แล้วเมื่เกิดเคลื่อนกอดภัยใจชีวิตชีวิตหลากเรื่องชีวิตบวละหกละเหนื่อชีวิตบวกระเพื่มอมบวกขื่นบวลงบวละย่อห้องหดเมื่ อ, อเจอปัญหาบว ก, กระทศถอย เป็นนาฏศูสู์พุทธว่าไม่รูปใ ห, หน้นอบันพุทธะมารูปจะาใ ก, กา่มารูปจะใหญ่ก็มะรู้จะรูปมะรูกจะนั่ ม, มพุทธะเกษีก็เฮาลูบแล้วสิเลเพลงิงสิเลอาศัยว้มรูกเฮาจึงคอยเป็นพระพุทธเจ้าค่อยกําจาทุกข์มรูกเฮาจังคอยเป็นพระท่านค่อยเกําจาทุกข์เป็นพระสงฆ์ค่อยเ ก, กําจากทุกข์ทางก้มรู้ รู้ไว้เพื่อได้พูดได้คุยให้ผู้อื่นฟังแก้ปัญหาเกิดขึ้นก็จะของปดเปื้อนเพาเป็นแก้ไขเ่าเป็นเกลื่อเฉือนหรือถลุงออกเพเป็นแจ้งสีพันว่าอคว่วรู้บ่มีประสิทธิภาพเพราะทงจ้งค่อยให้มันมีคั่วข้มเป็นพิเศษคั่วข้ว ม, วมมันเจลื่อนเฉือนขาดออกไปกระยุยกระจ่ายปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เท่าเบิดแลรงหาผู้อืน่น